ที่สถาบันพัฒนาการราชก า, ารฝ่ายตุลาการสามยุทธธรรมคือวิธีปฏิบัติเนี่ยมันต้องก่อนอื่นต้องมีให้ใจมีเครื่องล่อซึ่งอยู่ก่อนต้องให้ใจะมีหลักใจหลักใจเนี่ยอุตตมะเจ้ายกตัว อ, อย่างทั้งสี่สิบอย่างสี่สิบอย่างที่นําหน้าเลยคือเลลือดถึงพระพุทธธรรมผสมก็คือพุทโธนี่พุทโธสัโมสังโฆพุทโธสัโมสังโฆครับที่เหลือก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อย แล้วก็ตารางก็มาท่านอาจารย์ทวอแล้วก็หลวงปู่เทียนนี่ให้โบกมือให้โบกมือเป็นเส้นล่อไว้เป็นเรื่องอยู่ของใจเป็นหลักใจจารอื่นก็มีสมาหลังก็มียุบหน่อองนอดูต้องฟองฟองยุบก็มีดูลงมาใจเข้าก็มีล่อจิตหรือว่าเป็นหลักใจไว้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดอย่างใด งั้นเมื่อใครถนัดอย่างไดแล้วก็สิ่งใดใช้เป็นเครื่องล่อจิตแล้วสามารถที่จะให้ใจเนี่ยมันมีความสงบระงับหลงจะมาแต่ความคุงสั้นเนี่ยเราก็ใช้อย่างนั้นได้ไม่ผิดบางทีผมก็ใช้สลับกันบางทีเมื่อก่อนนี้ใช้ใช้ส่วนโมริติปิโสก็กลัวตลอดคัโทสุปัจจมอรโนจบสุดแล้วประเสริฐอีก็บแล้วปรเสิฐอีกเพราะพุทโธสั้นไปต่อมาต่อมาเนี่ยมาชอบใจพุทโธยังอื่นไม่ไม่ชอบใจ พุโทโธแล้วรูสว่าถูกใจถูกจริญนิสัยแต่ก่อนที่มาถูกเจริญนิสัยพุโทโธชอบพิจนารณาถึงความตายนนาความน้าเบื่อผูกความถูกจริญนิสัยเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะวางกดตายตัวไม่ได้ว่าว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ของของคนด้านผูกของคนที่ผิดไม่มีมีแต่วันจริตนิสัยเราเราสังเกตเราเองคือบางทีเนี่ยกลับมาจากทํา ง, งานแล้วท้องใส่ยเย็นก็ลงมือเดินเดินจงกรม แล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไม่สงบฟุ้งซ่านมากเลยกิติีพตรพกวาสวัสดิ์าโตสปจนโธไม่สงบฟุ้งซ่านมากพิจารณาความตายสภาพกรรมฐานผมปวดเล็บป้หนังเนื้อเห้งกระดูกตับไตส้นฟงไส้นน้อยเส้ใหญ่มากตับปอดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองแย่พอเป็นจิ้มชินให้น่าเกิดหฟังไม่สงบเพราะเลยคำว่าสัพเพสังฆารานิจาสัพเพสังฆารทุกขสัพเพธรรมานตา จิตเป็นไรไปไหนเลยมันบอกไม่ถูกรู้สึกว่าจิตมันหดตัวเข้ามาวันนั้นชอบจิตมันชอบสัพเพสังฆาราอานิจจสัพเพสังฆาราสุขาสเพธรมมานาตตาก็คือไม่จิตไม่หดตัวลงมากลุ้งซางทั้งวันทั้งคืนเดินเฉถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองยังไม่หายกลุ้งซ่านมันก็เป็นจริง อย่างนี้ไม่ใช่เราบอกบอกัแล้วเหมือนือว่าทุกคนมาฝึกแล้วมันง่ายก็ไม่ใช่จะ ง, ง่ายหรอกจริงๆเอาควาจริงมันต้องสังเกตมันพุ้งซ่านจริงๆขนาดเดิ น, ดนอยู่ในน้ำประชกเอาตื้นๆหน้าเนี่ยมันไม่สงบเลยคิดถึงแต่เรื่องที่มีปัญหาที่เรื่องงานมาคิดถึงที่ไปคุยกันเล่นสปเปรย์ร่าตำรัดสิบวิโดาานกลุ่มกลางวันมันก็ติดไปในจิตตอนมาถึง ต, ต้องกลางคืนมาปฏิบัติมันก็ฟุ้งซ่านตลอดเลยไม่สงบเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังไม่สงบเดินถึงตีห้าตีเดินถึงสว่าง กลัวจะสงบว่าด้บางทีเนี่ยลองตั้งหลายหลายอย่างหลายประการมางทีสัตเตสังฆารานิจญาสเตย์เตสังฆาราสุขขาสัตเตยธรมาหน้าตาไม่สงบไปสงบเอาแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกลับไปได้ปุ่มไปน้อยใจใหญ่มาตรปลอดหัวใจน้ำเลือดน้ำเหลืองแยกออกหมดเลยเป็นชิ้นชิ้นชิชิ้นโยนทิ้งออกไปโยนทิ้งออกไปควักทิ้งออกไปควักทิ้งออกไปจากตัวเราทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้น ควักกินไหนออกไปให้หนาเฟือภูพังหมดพิจารณาเห็นความนาเฟือกภูพังหมดรู้สึกว่าชอบใจตรงนี้แล้วก็ใจไม่ไปไหนเลยคิดใจทั้งคืนทั้งวันแต่แต่พางทีคิดอยู่อย่างนี้สงบดีวันต่อมาเอาอย่างนี้อีกคิดอย่างนี้อีกไม่สงบเลยฟุ้งซ่านเหมือนฟุ้งซ่านเดินเพียงคืนยังฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้คงไม่สงบแน่ก็เลยอะบางทีก็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 มาพิจารณาในทางเกิดทางวันบางวันที่เกลียดจะพิจารณาไมเฉยเพ่าะแกพุทโธพุทโธพุทโธก็สงบแล้วบางวันพุทโธอย่างเดียวว่าจะสงบพุทโธทำโมสองโคละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงบุญคุณของท่านของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็สงบปุ๊บลงมาเลยเมื่อท่านได้พิจารณาอะไรมันก็แปลงจริงในจิตเราเนี่ยมันก็ต้องเราคนมัต้องบางทีว่าบอกวางแบบแผนตรงนี้พอถึงข e ้อจริงเนี่ยบางทีมต้องสังเกตต้องเป็นนักสังเกต ว่าอย่างไรมันทิ้งสงบและอีกอย่างหนึ่งก็งคือว่านั่งทำกับเดินทำผมไม่รู้ไปหลายจะนั่งทำแล้วไม่ได้เรื่องเลยถ้านั่งทำแล้วมันหลับนั่งแเพ็ดเดียวมันง่วงหลับแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรบางทีไม่หลับมันก็ตุ้อ ๆ, ๆอยู่ยงั่นน่ะไม่ได้เรื่องอะไรเลยผมว่าถ้าท่านั่งทำแล้วก็ไม่ได้เรื่องคือว่ามันมันง่วงหรือไม่ง่วงก็มันก็ทือ ๆ, ๆ, ๆ, ๆไม่ปาดเปลี่ยวไม่อะไร ต้องเดินจะเรียกว่ามีกรรมได้ออเ้านั่งทํำสบายสบา ย, าออาบายผมต้องเดินเดินมันต้องคืนเดินจนสาวา่างเดินได้คืนต้องคืนทั้งวัน เ, นเดินได้ชอบแต่นั่งไม่ได้ถ้านั่งแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องหลับป๊อแล้วก็ไม่หลับก็นั่งแน่นอึดอัดเยอะนั่นแหละปัญญาไม่มีอะไรแต่ถ้าเดินรู้สึกว่าพิจารณาอะไรมันก็ลงดีลงชัดเจนดีก็ทํำแบาบ น, นั้นนหละพิจรารณาว่าอย่างไรมันชัดเจนแล้วก็ตัดติดตรงนั้นเลยคือชัดเจนมาถึงว่า รู้สึกใจมันมาสงบจากความฟุ้สร้านก็ตักจิตตรงนั้นไม่ไม่ถอยหนีเลยตอนนี้ครัทั้งคืนทั้งวันก็ถ้าพุทโธมันมันสงบราบเรียบดีก็พุทโธทั้งคืนถ้าพุทโธมันไม่สงบไปวิจารณ์อย่างไรมันสงกบกับทั้งคืนกับจิตตรงไหนมันรู้สึกว่ามันทําให้ใจใจสงบราบเรียบดีปลงปล่อยวางได้ดีก็เอาสิ่งนั้นมาทั้งวันทั้งคืนต่อกันทั้งอาจจะวันเป็นเดือนเลยเอาตรงนั้นเป็นเดือนแต่งทีระหว่างทํามาวันทั้งคืนเคยตรงนี้เคยสงบมันก็ไม่สงบอยู่แล้ว มันต้องฉลาดมากเลยในอุบายแห่งครูบาอาจารย์ท่านในแต่จีนเนีแต่ความฉลาดเป็นเรื่องของเราเจ้าตัวต้องเป็นคนที่ฉลาดมากเลยต้องตอเกตตัวเองเราบอกว่าครูบาอาจารย์วางระเบียบแบบนี้แล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้ยไม่กยับไม่อะไรเรื่องคนนั่งว่าไงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่ได้อะไรบางคนก็เขาบอกว่าหายเจ๊ข้างออกจออกหายเจต้องหายเจออกพรลงมือจะลายเห็นนั่งคอตกทุกวันเลยพอลงมือมันไอ้ตอนอยู่ดีๆกู้อินเดียอ้าวลงมือปฏิบัติพอรอบลงมือปฏิบัตินั่งคอตก แล้วก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วก็ไม่แก้ไขอย่างนี้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะท่านต้องต้องสังเกตตัวเองทําอย่างไรแล้วก็มอนไม่ก้าวหน้าอย่าอย่าทําอย่างนั้นต่อไปต้องแก้ไขแก้ไขตัวเองแล้วผมเดินแล้วรู้สึกว่าเดินได้ต้องเดทั้งวันแล้วสถานที่ก็มีประโยชน์ผมชอบเดินในที่โลง่โลงๆบางคนชอบเดินในถ้ำบางคนชอบเดินเนี่เดินที่เงียบๆคนเดียวแม่แค่มายุ่งเดินอยู่นในในที่แคบๆ แต่ผมชอบเดินที่ลงโลง่งไม่รู้แปลกถ้าเดินเดินบนภูขเขาแล้วก็มองฝัะะ่งลิกได้ลอกทิศแล้วรู้สึกใจมันเปิดโลง่งเบิกบานมากเลยโดยเฉพาะเช้ามืดนี่ใจมันโล่งไปหมดเลยมองมันมันรู้สึกว่ามันเปิดโล่งไปหมดเดินได้นี่ก็มีส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ากินมากกินน้อยนี่มีส่วนมากกินมากกินน้อยถ้าเปนคนจ้าสังเกตกินมากกินน้อยแล้วก็กินอาหารประเภทใด บางคนนี่กินเนื้อแล้วกินเนื้อมาหนักๆแล้วกินง่วงบางคนกินกินอาหารกินไขมันหนักๆมาแล้วก็นั่งง่วงบางคนกินพวกโปรตีนมาบ้าก็นั่งง่วงผมระหว่างทงความเพียรนี่กินผักกินผักรู้สึกว่าเบามากเลยเวลาถ่ายออกมาก็ไม่เอยเหม็นกินผักดีมากแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่คนกินเนื้อกินอะไรนะหมายถึงว่ากินน้อยแต่กินผักมากๆกินเนื้อเน้น้อยรู้สึกว่าเออมาโล่งดิมาโลงรู้สึกว่าการเบาถ่ายออกมาก็ไม่เหม็น เรารู้สึกว่ามัสามารถมีการปฏิบัติได้จริงไหมล่ะอีกกรณีสังเกตก็คือว่าถ้ากินในเครื่องเทศอยแรงๆมีปัญหาเหมือนกันในการปฏิบัติรู้สึกจิตใจมันมันมันไม่ไปอยสงบลมรวมตัวลงกินอาหารลดจัดเก็บ จ, จัดเครื่องเทศอย่างแรงแต่คนก็ไม่เป็นเพื่อพระองค์เพื่อนพราหมณ์องค์ที่เคยปฏิบัติในการแอกกินนมไม่ได้เลยกินนมวันไหนกินนมสดแล้วก็การวาสนาลาภะกำเริบ แต่ท่านเป็นคนที่เชี่สังเกตบา ค, คนกินไข่ไม่ได้กินไข่ปุ๊บตา ม, มาตนาาาาาันตันนาลาคับกระเพือกก็แปลกจริงๆไอ้ของวันนี้มันมันลางด้วยชอบล้างยางต้องท่านเปิดสังเกตที่การการนอนเนี่ยนอนบางทีเนี่ยอาแล้อดนอนนอนน้อยตื่นมาตีสองตีสามตีสี่มาเลิ่มปฏิบัติวันนั้นบางทีไม่ได้เรื่องอะไรเลยปฏิบัติตื่นมาอุตาหตื่นมาตีสองตีสามมาปฏิบัติ สลบสเลเดินเดินเซอเซอหัวซุนซุนทั้งคืนเดินต้องถึงเช้ายังหัวซุนตื่นแล้วก็มาถึงถึงเช้าหัวถึงแง่โซฟาหลับฝอยไปเลยหลับคุยไปเลยหลับต่อไปเลยไม่ได้เลือกอะไรเลยบางทีมนตื่นมาแปลกจริงแต่ถ้าได้ปฏิบัติตั้งแต่หัวค่าไปตั้งแต่เย็นกลับไปและปฏิบัติมันก็ยาวทั้งวันทั้งคืนถึงสว่างเนี่ปฏิบัติได้ แต่เมื่อตอนมาตื่นในตอนทีสองตีสามตีสี่ปฏิบัติมันไม่เคยกันไม่ทราบพราตื่นมาแล้วผบเราหัวสุนเลยแต่บางคนชอบเนี่มันมันก็อย่างเนี้แปลกบางทีนอนน้อยไปก็แย่ล่างกายก็ป้อแแปะป้อแแป้หรอกไม่ถูกแต่ถ้าเดินเล่นเดินทำความเปลี่ยนตั้งแต่เย็นมาข้ามบันข้ามคืนได้แต่ถ้ามามาตื่นมาตื่นหรือว่านอนเน้อยก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยเนี่ยผมก็ต้องสังเกตคนที่แก่สังเกตผว่าเราสังเกตตัวเองแล้วก็กลางวันคุยกันมากคุยกันมากกลางคืนฟุ้งซ่านแน่นอน ถ้าท่านพูดมากคุยโทรศัพท์มากคุยกันมากรับรองโครงสร้างเราปฏิบัติโครงสร้างเลยแล้วหมอเดินสมกลมนั่งสมาธิไอ้สิ่งที่ท่านคุยเดินมันเข้ามาในหัวท่านเข้ามาหยุดเลยต่อเนื่องเลยตรงเนี้ผมมองเห็นเลยโอ้โหมันเป็นปัญหาจริงๆในทุาหลักผู้ปฏิบัติก็เราต้องเป็นคนที่จับสังเกตการพูดมากการกินมากการนอนมากนอนมากมีปัญหามากนอนมากนี่มีปัญหามากจริงๆการปัาหาอภัสกํามเลิก นอนสมบูร์เต็มที่กรรมัตต์อานา ล, าลังค์สัมฤทธิ์จิตใจกุงสร้างนอนมากเอี่ยไม่ใช่ว่านอนนอนมากดีนะมันมากลองตังเกตตัวเองเป็นคนดีชอบสังเกตนอนมากกินมากพูดมากเป็นปัญหาทั้งท่านเป็นปัญหาคนคิดที่ป เ, เป็นคนเป็นคนชอบสังเกตจริงๆแม้แต่กินอะไรก็จะเป็นคนชอาสังเกตสถานที่ไปที่ไหนมองอะไรโดยเฉพาะอก่อนนี่ต้องสืบพิหน้าหรืออ่านไม่ได้ตอนคําความเปลี่ยนต่อนเรื่อง นอกเสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีแต่รูปโปโปเท่านา down, ั้นเนี่ยมีแต่รูปโปโปเปื่อยเท่านั้นเนี่ยก็มีรูปข่าว่ากันกับโปโปเปื่อยไอ้ที่โปโปเปื่อยมันก็มันก็การมันตัญหาราคาต่ำเสมอไอ้ที่มันฆ่าการอุบัติเหตุมาพลาดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้ไม่มีหรอกไอ้ข่าวที่ชมเชยไม่มีหน้าหนึ่งลองไปดูเลยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิ่ากษ์เวลาพูต่อสู้วิพากษ์วิจารณ์ฆ่ากันอะไรกันไม่มีหรอกก็มีส่วนที่ไปสบายใจกับส่วนที่การปั้นหาราคาต ตงนี้ไม่ถูกเขาทำความเกลียดถ้าสังเกตเอาไปดูสิ่งเหล่านี้หาความสงบใจพอเรามีความสงบใจอย่างนี้แล้วเราก็เลือกเอาว่าสิ่งใดเราพิจารณาถ้ามันมีความสงบพุทโธท่านชอพุทโธสําหบอกพุทโธท่านชอบพิจารณาถ้าก็ชอบพิจารณาท่านชอบกวมือถ้าก็บวมมือแล้วแต่ท่านนะไม่อยู่ที่ว่าท่านไปแสวงหาที่โดงทีนี้คนนั้นคนนี้สํานักนั้นตำหนักนี้มันอยู่ที่ตัวท่านท่านต้เป็นคนที่เชา่ยสังเกต ไม่ใช่เพราะท่านตระเวนหาด้วยสายโทรศัพท์ท่านจะเป็นคนที่จ้สังเกตนะครับพอท่านสังเกตว่าจริงใดมาถูกเทนิคทีส่สายท่านทํามันต้องก่อนต้องคืนมันมีปัญหาอยู่ว่าอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องร่อที่ท่านจะเป็นเครื่องร่อแต่มันไม่จริ ง, งตรงนี้นไม่เขาจะจริงของเรานี่มันจะมีปัญหาตรงนี้ปัญหาจะตามมาคือว่าพอทําหน่อยแล้วมันไม่สบายอาจารย์มันแน่น มันอึดอัมันทำแล้วปวดหัวมันทำแล้วไม่มีแรงมันทำแล้วมันไม่สบายมันเป็นอย่างนู้นมันเป็นอย่างนี้ไออย่างนู้นก็ไม่หายไปไออย่างนี้ทำไมมันไม่หายไปมันจะให้อย่างนู้นจะให้อย่างนู้นหายไปจะให้อย่างนี้หายไปทำแล้วก็บวไปทำแล้วก็อยากให้อย่างนั้นหายไปทำแล <t deutsche analysis> <camping antes> ้วก็อยากอย่างนี้หายไปคือทำไปหาความสบายตลอดทำไปหาความสบายตลอดตั้สัาเกตใ้ดีนะ ทำไปหาความสบายตลอดหนึ่งทำไปเพื่อตัวเองจะได้อะไรจะถึงอะไรจะเป็นอะไรหนึ่งตรงนี้ทําก็หาตัวไปตั้งแต่ทำเพื่อให้ตัวเองจะได้อะไรจะถึงอะไรจะเป็นอะไรนึกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทํามให้เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทํำไมมันเป็นอย่างนั้นทํำไมเป็นนี้ทํำไมสิ่งนี้ไม่หายไปทีมันไม่หายไปนี่ถ้าสิ่งนี้หายไปแล้วก็จะสำเร็จตาลานเลยสําเร็จปณิพัน แล้วพยายามทําให้สิ่งนี้มันสายไปพอทําหน่อยเอาอละมีอาการหน่อยเลิกไปมีอาการหน่อยเลิกมันไม่ถูกจริตมันทําแล้วมันไม่สบายทำแล้วมันเอะทำไให้ียวก็ไปถามหลวงปู่หลอดประมุที่โถงซึ่งเป็นพระอรหันเราก็ยอมรับว่าเราต้องหลายยอมเราไม่ทำเป็นพระอรหันถามว่าหลวงปู่จะทํำยังไงปฏิบัติอย่างไรหลวงปู่ บ, าาบอกว่าพุทโธพุทโธพุ ท, ทโธเรื่อยไป กลับมาบ้านก็ทําพุทโธพุทโธพุทโธไม่กี่ทีฮกลับไปให้สบายเมื่อสบายตัวแล้วไม่พุทโธแล้วสบายกว่าพอลงมือพุทโธแล้วมันไม่สบายกลับไปถามแล้วปู่หลอดใหม่พอมันทําแล้วไม่สบายตัวต้องปู่หลอดว่าพุทโธพุทโธพุทโธได้แต่กลับมาบ้านพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีพลังมาอาบ แน่นไปหมดเลยเลิกทำพระบปดาหลวงปู่หลอดลวงปู่ทําแล้วมันมีพลังอัดเต็หมดเลยมันมันแน่นอืดอัดอยู่ภายในหลวงปู่หลอดจาได้บอกมาแล้วสองคนบอกว่าให้พุโทโธตะพึทธต่อพื้นทีเกียรพูดแหละให้พุโทโธ ต, ต่อพึทธต่อพืน คือเราเป็นกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดทํานิดนึงก็หน่อยกลัวแล้วเป็นโน่นเป็นนี้ทําไปอ่าเป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วคอยเช็คตลอดไปหลังเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี้